เสียงอ่านหนังสือสัมมาสมาธิและปฏิปทาของครูบาอาจารย์พระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยศีลห้าสามารถทำให้บรรลุได้การปฏิบัติธรรมในด้านจิตนั้นเราจะต้องเริ่มต้นด้วยทำตนเป็นผู้มีศีลศีล น, นี้เป็นสิ่งสำคัญ เป็นคุณธรรมอันเป็นภาคพื้นเป็นการปรับกายวาจาและใจให้อยู่ในสภาพปกติโดยเฉพาะออย่างยิ่งศีลห้าอันเป็นศีลที่คารวะทั่วไปพึงสมาทานปฏิบัติเป็นศีลหลักใหญ่และเป็นศีลที่สำคัญศีลแปดศีลสิบศีลสองยีเจก็รวมลงอยู่ในศีลห้าข้อนี้จะเป็นผู้ใดก็ตาม ในเมื่อมาตั้งใจสมาทานรักษาศีลห้าข้อเมื่อทําศีลให้บริสุทธิ์แล้วและตั้งใจทําสมาธิภาวนาก็สามารถจะทําจิตให้สงบรู้ซึ้งเห็นจริงในสภาวธรรมตามความเป็นจริงไม่เฉพาะแต่เท่านั้นยังสามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ยกตัวอย่างเช่นอุบาสกอุบาสิ ก, กา ในอดีตสมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ก็มีหลายท่านเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาทนานาธาบินทิกามหาเศรษฐีท่านก็เป็นผู้ครองเย้าครองเรือนแล้วก็มีศีลเพียงห้าข้อเท่านั้นแล้วท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุโสดาบันคนในสมัยปัจจุบันนี้มีเพียงแค่ศีลห้า ก็ยังถือว่ายังน้อยหน้าต่ำตารู้สึกว่าศีลของเราไม่มากบางคนก็สงสัยว่ามีศีลห้าไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เป็นการเข้าใจผิดความจริงศีลห้าข้อนี้เป็นศีลที่กำจัดบาปกรรมหรือเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปกรรมที่เราจะพึงทำด้วยกายวาจาเช่นปานาติบาตการเว้นจากการฆ่าสัตว์ อธินาทานเว้นจากการหยิบสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตการเมสุมิชาจา์เว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทพูดเท็จสุราดื่มของมืนเมาถ้าใครสมาทันรักษาศีนห้าข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วได้ชื่อว่าเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปบาปการรมที่เราทำที่จะต้องไปสวยผลคือไปตกนรก หรือไปทรามาในสถานที่หาความเจริญมิได้นั้นมีแต่การละเมิดศีลห้าข้อเท่านั้นส่วนอื่นซึ่งเราทำลงไปแม้จะเป็นบาปอยู่บ้างก็เป็นแต่เพียงความมัวหมองภายในจิตใจเท่านั้นแต่ถ้าใครมีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์มีหวังที่จะทำสมาธิปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมได้เพราะฉะนั้น ผู้ที่ไม่สามารถจะมีศินมากๆขึ้นไปกว่านั้นก็อย่าพึ่งทำความน้อยอกน้อยใจว่าศินเราน้อยเหลือเกินกลัวว่าจะไม่ถึงนิพพานอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดก่อนที่เราจะเพิ่มสินของตัวเองให้มากขึ้นไปนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถจะปฏิบัติแล้วรักษาศินให้มากๆได้หรือไม่ ถ้าเราไม่มีสมรรถภา พ, าพพอที่จะรักษาศีลมากๆได้ก็ให้มั่นคงแต่เพียงในศีลห้าเท่านั้นการวะโ ด, ดยทั่วไปมีแต่เพียงศีลห้าเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมมุสาวาตเว้นการเสพสุราเรายังประดับตกแต่งด้วยเครื่องหอมเครื่องย้อมเครื่องทาได้ดูหนังดูละครหรือประโคมขับดนตรีก็ได้ นอนบนที่นอนที่สูงที่ใหญ่ก็ได้ไม่ผิดศีลแต่ถ้าเราไปเพิ่มข้อวิการละโภชนะเข้าไปแต่ว่าอดเข้าเย็นไม่ได้เพิ่มข้อมาลาเข้าไปแต่ว่าเว้นจากการประดับตกแต่งไม่ได้เพิ่มคอนาจากขีตาเข้าไปแต่ว่าเว้นดูละครฟังดนตรีไม่ได้เพิ่มคออุจจาสยณะเข้าไปแต่ก็พอใจในที่นอนที่สูงที่ใหญ่ เราก็รักษาไม่ได้เป็นการหาเรื่องเพิ่มบาปให้ตนเองโดยไม่มีเหตุผลการที่ตั้งใจรักษาศีลให้มากๆนั้นเราต้องดูสมรรถภาพของตอนเองเมื่อเรามีศีลหบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วตั้งใจทําสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาไปเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วศีลก็จะเพิ่มขึ้นเอง ไม่เฉพาะศีลแปดศีลสิบเท่านั้นเมื่อมีศีลห้ามีสมาธิมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมความเป็นของตัวเองซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตนั่นหละความที่จิตสงบเป็นสมาธิความที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมสามารถทำจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้นั่นหละจะเป็นอุบายเพิ่มศีลเข้าไป อย่าว่าแต่เศสี่227ข้อเลยต่อให้เป็นหมื่นหมื่นข้อแสนข้อก็เพิ่มได้ถ้าพื้นฐานของจิตใจดีแล้วเพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติธรรมจะขยบฐานะการปฏิบัติของตนให้สูงยิ่งขึ้นให้สูงยิ่งเพียงใดแค่ไหนก็ขอให้พิจารณาดูสมรรถภาพของตัวเองเป็นสำคัญอย่าไปทำอย่างงมงาย ทำอย่างมีเหตุมีผลเช่นเขาว่ารักษาอุโบสถได้บุญมากแต่ในเมื่อเราไปรักษาอุโบสถอดเข้าเย็นได้รับทุกขเวทนาอย่างในสมัยที่อัตมาเป็นพระเล็กเนนน้อยอยู่กับพระอาจารย์เสากันตาสีโลแล้วก็ไปพอใจในคำว่าการอดข้าวบางทีเขาชวนอดข้าวสาวันห้าวันเจดวัน บางทีก็อดจนถึง9ก้าวันก็มีแต่เมื่ออดกันไปนแล้วผลที่ได้รับก็ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรการอดทำให้เราเกิดความเพลียความหิวในเมื่อร่างกายเกิดความหิวไม่ได้อาหารมาบำรุงร่างกายก็อ่อนเพลียในเมื่อความอ่อนเพลียเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่แทนที่จะได้ผลดีกลับขาดทุน ดีไม่ดีทำให้เกิดโรคทางกายโรคกระเพาะโรคลําไส้ต้องทนทุกทรมานพยาบาลรักษาเป็นเวลานานกว่าจะหายเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะทำลงไปที่เราเห็นว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติจริงเราอย่าปฏิบัติกันอย่างงมงายทำให้มีเหตุมีผลพิจารณาสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจตนเองว่า มีความสามารถเพียงใดหรือไม่อาตมาขอให้คติเอาไว้